ทนที่ครบคะ่ะเราก็มาถึงช่วงเวลาที่จะได้ฟังการถามตอบคําถามในช่วงที่นําำผู้ทวจนะมาตอบเราเรียกกันว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทจนะกันอีกแล้วนะคะพบกับพระไปบุญอภิปุญโญวัดป่าดอนไฮโกน้องหาดอุดรธานีกันค่ ะ, น, กกนะคะนักศึกษาครับ่คะเรียบาลค่ะก็ได้กลับเรียนถามท่านไปว่าเออรายการเราเนี่ยทำมากเกินไปหรือเปล่าชวน ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าหาธรรมะแบบสุดตรงยิ่งยวดไปหรือเปล่าออันนี้ก็ต้องบอกว่าเราพูดถึงประโยชน์2ประโยชน์นะคือประโยชน์ในทธรรมคือในปัจจุบันนี้แม้จะใช้ศัพท์เทคนิคเด็กเขาจะว่าได้นะเราก็จะใช้ศัพท์ที่ชาวบ้านเขาจะเข้าใจนะคือเพื่อประโยชน์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะคุณทําปุ๊บเนี่ยคุณได้ประโยชน์เดี๋ยวนี้นะแล้วยังคูณสองเพื่อประโยชน์ในภาคหน้าด้วยภายภาคหน้า ภายภาคหน้าคือตอนใกล้ใก ล, ใกลตายแล้วน่ะนะ <Okay. S 1> แล้วก็ในพบต่อต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงประโยชน์เดี๋ยวนี้เช่นอะไรถ้าคุณมีศีลนะอยังน้อยความสุขที่เห็นคุณเย็นเย็นเดี๋ยวนีนะ้สามอย่างมีได้คือหนึ่งเวลาคนเขาพูดถึงเรื่องคนที่มีศีลเนี่ยเรา <Okay. S 1> แอนโอกรับได้เต็มที่เลยว่าฉันก็มีศีล น, นะปรนะาการที่สองถ้าเห็นเขาถูก oh. เขาด่ากันมากกันว่าคนอื่นไม่มีศีลเราแอนโอกเต็มที่เลยว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นเรามีศีล น, นะอย่างนี้นะ แล้วประการที่สามที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะคือเราจะไม่มามีความร้อนใจว่าเอ๊ะทําไมฉันมีสีหรือไม่มีสีก็ฉันมีสีฉันก็ไม่มีความร้อนใจไงในสถานีาาท่านคุณครั้งนี้หมวดธรรมอย่างที่เคยพบปรากฏอยู่เขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆเช่นบางคนก็บอกว่าคนธรรมดาเนี่ยรับไปปฏิบัติแค่สังขาวัตถุสีก็พออืมบางคนก็บอกว่าพรหมวิหารสีก็แล้วกัน อย yeah, a, ู course, k ho. K ho, hmm ่อย่างพรมนะครับบางคนก็บอกว่าแค่ศีลห้าก็พอแล้วศีลแปดก็ยิ่งดีใหญ่อย่างเนี้ยค่ะดูเหมือนกับว่าจึงทําให้หลายคนก็จะบอกว่าไอ้เนี้ยที่พูดกันอยู่เนี่ยเจอหน้าดิฉันนะคะบางคนจะถามว่าเมื่อไหร่บวชนี่ก็งงมากเลยก็เลยมีคนรู้สึกว่าเขาอาจะกําลังคิดว่าในลักษณะของการมากราบเรียนถามท่านเนี่ย มันเกินความจําเป็นของคนทั่วๆไปหรือเปล่าคืออย่างนี้ดีกว่าว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยนะที่เราพูดถึงสังขาวัตถุสีอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากจิตทั้งหมดนะคือเอาพูดถึงอย่างเดียวคือจิตพอนะจิตเนี้ยถ้าจิตนี้เป็นจิตของครจิตของลูกใช่ไหมนะเจอพ่อแม่ก็จะกลายเป็นความกระตันยุกระตาเวทีถ้าจิตนี้มีธรรมะนะค่ะถ้าจิตนี้เป็นจิตของจิตของพ่อแม่ใช่ไหมก็เจอลูกก็จะกลายเป็นจิตที่มีความรักความเมตตาพรหมิหารสีใช่ไหม ถ้าเป็นจิตของลูกน้องเหรอโอจิตของลูกน้องเจอเจ้านายก็จะกลายเป็นคนที่ทํางานอย่างขยันขันแข็งนะจิตนี้มีธรรมะนะค่ะถ้าเป็นจิตของเจ้านายใช่ไหมก็จะมีการให้ค่าจ้างรางวัลตามสมควรนะก็จะเป็นลักษณะนี้จิตนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ต้องมีธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าหมวดถ้าหมดไหนเนี่ยมันมันพูดได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะไปปฏิบัติในลักษณะไหนค่ะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยคุณโยมติวเรามีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเรามีตู้เย็นเรามีเครื่องเสืผ้าด้วยแต่ทั้งหมดนั้นใช้มาจากถ้าเราตามสายไฟไปเนี่ยจะไปเจอโรงกลั่นนะ้ำมันเอ่อโรงอะไรโรงผลิตไฟฟ้าค่ะนะคือโรงผลิตไฟฟ้านี่แหละคือธรรมะคือจิตที่อยู่ในนั้นแล้วถ้ามันสูกเสียบด้วยเครื่องปิ้งขนมปังมันก็ออกมาเป็นเครื่องปิ้งขนมปังใช่ไหมถูกเสียบด้วยเตาน้ําร้อนมันก็ออกมาเป็นเตาน้ําร้อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการใช้งานของธรรมะนะมันก็จะเหลี่ยกเรียกหลา ก, หล า, กหลายกันไปตามลักษณะ แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันอยู่ที่จิตถ้าจิตเรามีสติอย่างเดียวนะมันก็จะแปลงเป็นพวกนี้ได้หมดท่านพรุณค่าแต่ดิฉันเนี่ยสงสัยอีกแบบหนึ่งคือดิฉันสงสัยว่าในหมวดธรรมต่างๆที่มีการไปแบ่งกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เจมานรวมกันแล้วทุกๆหมวดเนี่ย อยู่เป็นส่วนหนึ่งของมรค8ปดหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องพระรเจ้าได้บอกว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยจะรวมลงในอริยามรรคมีองค์แปดอ๋อโอ้เนี่ดิฉันตั้งคำถามไว้ไม่คิดว่าจะได้คำตอบแบบนี้เลครอันนี้เป็นเพื่อภาชนะไงอ๋อเหรอคะแล้วก็เหมือนเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีอะไรใหญ่กว่ารอยเท้าโคอ่ารอยเท้าช้างเพราะฉนัรอยเท้าช้างนี่เปรียบเมื่อเปรียบเหมือนกับอริยามรรคมีองค์แ ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเป็นหมวดธรรมอื่นๆที่ไม่ใช่มารมีองแปดแล้วเข้าใจง่ายๆเราก็อาจจะคิดว่าอันนั้นเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานที่เหมาะกับคนทั่วไปแล้วอาริยมารมีองแปดเนี่ยเป็นธรรมะขั้นสูงเหมาะกับคนที่เบื่อโลกนี้เต็มทนแล้ว <c oughs> จะไปวิมุตต์แล้วบางคนเป็นผู้ใหญ่มากเลยมาถามดิฉันนะคะ <c oughs> ว่าวิมุตต์นี่มันอะไรหรอ อพอโดนถามอย่างนั้นดิฉันก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะคะแทนที่อยู่ในฐานที่เข้าใจค่ะเอ่อก็ถ้าถ้าตอบคำถามนั้นก่อนนะวิมุตต์ก็แปลว่าความหลุดพ้นค่ ะ, ะหลุดพ้นจากอะไรละหลุดพ้นจากสังสารวัตรการสังสารวัตคืออะไรสังสารวัตคือการที่เกิดแล้วเกิดอีกเป็นอนันกชาติ อ, อท่านพิบุลคะวิมุตที่ว่านี้เนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยหรือเปล่าคะสําหรับพระพุทธศาสนา มีนิพพานเป็นที่สุดจบท่านบุญช่าบอกการปฏิบัติของเธอเนี่ยการรู้ความประจาของเธอเนี่ยมีนิพพานเป็นที่สุดจบค่ะนิพพานกับวิมุตเหมือนกันไหยคะ อ, อ ก, ก็ก็เหมือนกันเหมือนกันเป็นเป็นเขาเรียกว่าไวโพ์กันองั้นก็สามารถพูดได้สิคะว่าวิมุตเนี่ก็คือที่สุดของการอ่ของขอ ง, ของวัตถุรปฏิบัติใช่ทีนี้ว่าในระหว่างทางอย่างเงี้ยถ้า ค, คุณไม่มีศีล นะคุณไม่ตื่นเช้าไปทำมาหากินอย่างดีหรือว่าคุณทำทำผิดศีลเนี่ยนะคุณก็จะไปผิดทางละเปละคือเรากําลังพูดถึงเป้าหมายสูงสุดอะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณปฏิบัติอย่างที่คุณปฏิบัติแล้วเป็นความดีอย่างเงี้ยมีศีลสมาธิปัญญาเราไม่ต้องพูดถึงมั่งแปกันนะเอาพูดง่ายๆสั้นๆ3อย่างศีล ส, สมาธิปัญญานะถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาในการทํางานของเราทุกๆวันในการดํารงชีพของเราอยู่ทุกๆวันอันนี้คุณไปได้แน่นอน ค่ะ ถ, ถ้าเป็นบุญค่าทีนิดดีฉันก็เพิ่งไปอ่านหนังสือเจอพวกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยให้อยู่อย่างพรหมที่ฉันก็สงสัยเหมือนกันนะะว่ารู้แหละว่าถ้าพรหมหมายถึงพรหมวิหารเมตตากรุณาเมิตาอุเบกขา่ยา<ร>์เพียงพอแล้วหรือไม่แล้วก็อยู่อย่างพรหมที่ว่าเนี่ยเป็นมักมีองค์แปดอย่างไรคะออถ้าพุทธวัจนะก็จะบอกว่าพรหมวิหารเนี่ยดีอยู่ใช่ นะพรหมวิหารในที่นี้ก็คือเมตตากรุณาวุฒิตาอุเบกขาใช่ไหมถามว่าอยู่แล้วดียังไงเออก็จะไม่มีการเบียดเบียนกันนะะอืมแล้วก็จะมีแต่ความรักความเมตตากันช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยอย่างเวลาเราไปหาเรามีปัญหาในชีวิตเราไปหาผู้ใหญ่นะขอคําปรึกษาอะ้รท่านก็ให้คําแนะนําช่วยเหลือมีสิ่งใดก็แถมมาให้ด้วยนี่คือลักษณะของพรหมแต่เหมือนกับเวลาบางทีเรามีปัญหาในชีวิตอย่างเงี้ยอยู่ๆอยู่ๆมันมีคนมาช่วยเลย แม่คนนี้เหมือนเทวดามาช่วยเราจริงๆเลยนี่แหละคือคือคนที่เป็นลักษณะนี้ไงแบบปัญหาร้อยแปดเลยสุดท้ายไมนาที่สุดท้ายมีคนมาช่วยโอ้โหคนนี้เหมือนเทวดาจริงๆนะ แ, แสดงว่าคนนั้นก็มีลักษณะของความที่เป็นเป็นพรหมอยู่มีเมตตามีกรุณาอักอย่นี้น ะ, ะแล้วก็ในการอยู่พรหมเนี่ยตรงนี้พุทธเจ้าก็พูดอีกในยัหนึ่งว่าอนาปันาสตินี่แหละเป็นพรหมวิหาร อนนะนานาพานสติคือการมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยอย่างที่ท่านมาร์คได้พาปฏิบัติในตอนต้นของรายการเนี่ยนี่แหละเป็นพรหมิหารละ่ะเพราะว่าเราก็ชื่อว่ารักษาจิตเราระดับหนึ่งใช่ไหมพอคนปฏิบัติทมอย่างเงี้ยก็จะมีความอดทนใช่ไหมมีความไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูอันนี้ก็เป็นโดยอัตโนมัติอ๋อหมายความว่าการที่เราอยู่กับลมหายใจไม่ออกไปจากลมหายใจคือเหมือนกับว่าจิตเราอ่า ไม่มีอกุศลไม่มีอันนี้คือพรหมวิหารเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละคะ่ะพรหมวิหารเดียวกันอ่าพรหมวิหารตรงนี้หมายถึงว่าเครื่องอยู่ของความคนที่เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเครื่องอยู่ของคนที่เป็นใหญ่เนี่ยอ่าก็จะมีจิตในลักษณะนี้เป็นเป็นโดยปกติจิตที่ไม่มีอกุศลคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาก็ได้ แต่ว่าถ้าโดยผลแพนชนะเนี่ยผู้เช้าก็จะพูดว่าอานาปนสตินะเป็นพรหมวิหารนะค่ะทีทนี้ถ้าการเป็นมนุษย์เนี่ยมีตั้งหูตั้งใจเจริญพรหมวิหารสี่อย่างเงี้ยเพียงพอไหมคะถ้าเราต้องการหลุดพ้นโอ้โหดีมากๆเลยคุณยมเดียว แค่สติที่คุณมาตั้งไว้ในการที่จิตฉันจะต้องมีเมตตามีกรุณาตลอดเนี่ยนั่ น, ะ น, นคือสมาสติละค่ะความเพียรที่คุณจะต้องมาตั้งไว้ในการที่ฉันจะต้องมีพรหมิหารนั่น่ะคือสัมมาวายมะล่ะไอ้ความเหยนที่คุณจะต้องมาตั้งไว้ไวไวไวซึ่งพรหมิหารนั่นน่ะสัมมา ส, สมาทิฏฐิแล้วแลนะจิตเป็นพรหมิหารไม่มีทางคิดเรื่องการไปบาปเบียดเบียนเลยนี่นก็มีสมาสังกัปปะละอช่ไมเพราะฉันมรรแผลมันมาหมดแล้วค่ะก็ถือกับว่าก็ก็ถือว่าเป็นคํากล่าวที่ ถูกต้องตามหลักของ<ช>ของพระพุทธเจ้าจิตดวงนั้นนะจะโน้มน้อมรุ่มาลาดเอียงเทไปสู่นิพพานค่ะคือนม้ทำได้อย่างนั้นจะดีมากๆเลยในที่จะกล่าวเรียนถามตัวอีกอย่างนะคะว่าเห็นบางท่านเนี่ยจะเป็นผู้ที่ก็พยายามอยู่ในเส้นทางของการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วก็ลักษณะของการใช้คำพูด ก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยพบเคยเห็นก็รู้สึกว่าจะพยายามพูดแต่อะไรก็ดีไปหมดเลยเวลาใครพูดถึงอะไรเนี่ยทุกอย่างจะดีไปหมดในบางครั้งคนที่สนทนาด้วยก็จะมีความรู้สึกแย้งว่าทำไมพูดดีเกินจริงการปฏิบัติตามธรรมเนี่ยทุกอย่างต้องดีไปหมดทั้งๆ้งที่จริงๆแล้วมันไม่ดีหรือเปล่าคะเออมาไม่ค่อยเข้าใจคาถามนะอ่ะคือคือเหมือนกับว่าเวลา เรามีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางปฏิบัติหนึ่งใช่ไหมเขาก็จะพยายามตั้งใจที่ในการสนทนากับใครเนี่ยก็จะสนทนาพูดแต่เรื่องดีๆใช่ไหมใช่พูดแต่เรื่องดีๆอะไรก็ดีไปหมดคือพูดเรื่องของคนอื่นนะเพราะเขาพูดเอะไรก็ดีดไปหมดใช่ไหมคะแต่ในขณะที่จะกลับดีไงคะแต่ว่าจะกลับเรียนถามท่านว่าในบางเรื่องที่เขาพูดว่าดีเนี่ยแต่ในข้อที่จริงมันไม่ดีจริงที่เขาพูดอ๋อคือถ้าเขาพูดในลักษณะว่าถ้าเขาไม่พูดโกหกนะ อันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีใช่ไหมถ้าคนดีเนี่ยนะจะพูดจะไม่พูดข้อเสียของคนอื่นแต่ถ้ามีคนถามจังหน้าเลยไอ้หมอที่มันไม่ดียังไงถามจังจังหน้าเลยก็จะพูดนิดเดียวคแค่นี้เองจะพูดเขาเรียกว่าพระเจ้าใช้คำว่าะจะพูดหน่อยเดียวจะพูดลดหย่อนหลีกเลี้ยวลดหย่อนถามว่าเป็นคาโกหกไหมก็พูดอยู่นะแต่พูดนิดเดียวก็ไม่โกหกนี่ ก็เท่ากับว่าจัดว่าดีแล้วล่ะใช่ไหมคะดี เ, เป็ น, นานดีมาก ๆ, าๆเลยนะท่านหลักการพูดที่ถูกต้องตามพระพุทธองค์ก็คือเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยต้องอย่าพูดแต่ถ้ามันเป็นความจริงให้พูดนิดเดียวถ้าจำเก็งต้องพูดถ้าเขาถามจังหน้าจังหน้าเลยนะค่ะ <c oughs> ถามจังๆหลบหลีหลบเล <c oughs> ไีได้ใช่แต่ถ้าถามล่วงหน้าคิดก่อนได้เลี่ยงทันไม่ต้องพูดอพูดลดเลี้ยวดิกลเลี้ยวลดหย่อนได้ถึงจะเป็นคนดีอันเนี้ยความช่วยคนอื่นนะอะ เป็นประโยชน์กับเร า, เราท่านๆมากนะคะท่านฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะเราก็ไปตามนะเาเขาถามนี่ถามก็ต้องบอกสิอบอกแล้วจะบอกเขาไม่ชัดเจนก็ไม่ได้อืมเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราหมกเม็ดเราเขา ก, ก, ก็เรียกว่าหมกเม็ดก็ได้นะว่าเราก็บอกไม่หมดอะบอกนิดเดียวค่ะแต่ว่าก็คืออันนี้เป็นความไม่ดีของคนอื่นเ อ, อเราก็คอยเตือนหรือว่าเราก็เราก็ ก็ไม่ยุ่งอะคนพานเราก็ไม่ยุ่งกับเขาก็แค่นั้นเองแต่ถ้า<ม>ท่านพูดมาเนี่ยบางคนอาจจะแบบว่ามันเจนไปได้ยังไงในสังคมนี้มันเป็นยุคที่เราจะต้องช่วยกันตรวจสอบอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลสมมุตินะคะมันมันไม่ใช่สมมตินะมันเป็นเรื่องจริงจริอะบางคนก็บอกว่าเออไม่ดีก็ต้องพูดสิอืออืกอก็นนี้พุทธวชนะตัดไวอ้อย่างนี้พระเจ้าตัดไว้อย่างนี้อันนี้อาตมามองเห็นข้อดีไงตรงที่ว่าเราจะไม่สร้างศัตรู ถ้าเราพูดข้อเสียของคนอื่นเมื่อไหร่ปุ๊บคุณสร้างศัตรูทันทีต่อให้นิดเดียวก็เถอะอืมเนื่อพราะฉะนั้นถ้าเราเราไม่พูดนะคือเราไม่สร้างศัตรูเราก็ก็ดีตรงนี้อืมก็เพระพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องการแฉกันเนี่ยนะคะเออมันมันเยอะจริงๆนะคะท่าน ค, คือถ้าถ้าเาหลักข้อพุทธเจ้ามาทํำเนี่ยดิฉันกําลังจะถามว่าการพูดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยสิคะแล้วสังคม คน จ, จะเป็นยังไงก็จะมีแต่คนพูดเรื่องดีๆของคนอื่นนะคนคนดีเขาพูดยังไงกันพู้เช่าบอกว่าคนดีเนี่ยจะเอาเรื่องดีๆของคนอื่นมาพูดนะเขาไม่ถามเราก็พูดเขาถามรายละเอียดเรายิ่งพูดเต็มที่เลยแล้วเรื่องข้อเสียของตัวเองก็เอามาพูดด้วยนะไม่ไม่มีใครถามเอามาพูดเลยนะเขาถามในรายละเอียดบอกหมดทุกเม็ดอย่างนี้นี่คือคนดีทาเนี่ยค่ะอืมก็เอาเป็นว่าถ้าถามเป็นหลักการ ในเรื่องของหลักการพูดตามคําสอนของพระศ า, าสดาของเราคือพระพุท ธ, ธเจ้ า, <อ>าก็เป็นหลักการอย่างที่ท่านพิบูลพูดเนี่ยนะคะ<ช>ท่านก็ต้องไปใช้วิจารณญาณต่อไปอว่าจะทําอย่างใเ ค, คือมาบอกองี้ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยต้องทําอย่างนี้ต้องท<ช>ําอย่างนี้คือไม่ต้องคิดแล้วพระพุทธเจ้าคิดมาให้แล้วนะ<ช>ทําเลย<ช>น ะ, นะทำแล้วยังไงดีดีแล้วเอามาบอกกันด้วยว่าดียังไงแต่ดีแน่นอน แต่ดิฉันก็ต้องกล่าบเตือนท่านผู้ฟังนะคะว่า ด, ดิฉันเชื่อว่าคนที่พอมาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะพยายามทําอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอืมดิฉันเห็นลายไหนาลายนั้นเลยนะคะจะไม่ไม่พูดความไม่ดีกับคนอีกอเพื่อ น, นใกล้กลกลตัวที่เป็นแวดวงคนศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะจะจะเห็นพัฒนาการในเรื่องการพูดพวกนี้ชัดเจนนะมากใช่แล้วเขาจะมีศัตรูน้อยลงจิตเขาจะสบายขึ้นคือมันเป็นผลเนื่องมาจากจิตเราสบายขึ้น เราก็ไม่พูดเรื่องที่มันมันไม่ดีมันเป็นธรรมดาเลยอพอพูดแล้วจิตมันมีพยาบาทางไงคุณโยมติวพอจิตเราไม่มีพยาบาทแล้วเราก็ไม่ขุดเรื่องพวกนี้มาพูดมันเป็นอัตโนมัติต่นะมันเกื้อกูลกันนะเมค่ะเราเห็นนิสงได้ชัดเจนล่ะก็ท่ามกลางโลกที่ยังเป็นอยู่ในลักษณะที่อะนะคะอย่าปล่อยให้คนชั่วรอยเงียบ คืออันนี้นก็จะเป็นหน้าที่ของคนที่เขาจะไปตามจับนะนะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่โยนมาให้ท่านทราบแล้วกันว่าถ้ามองบุมของธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนอย่างนี้แล้วท่านไิบุลก็ฟันธงเลยบอกว่าต้องทําแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปคิดอีกแล้วใช่เออที่ฉันเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งท่านก็ลองไปแต่แต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าก็ให้เราคิดก่อนถูกไหมคะของที่จเชื่อไปทํา ก็ลองทําสิ่งที่เราเชื่อว่ามันมันเวิร์กนะเราก็ทําส่วนนั้นก่อนอันนี้เราอาจจะไม่ลงใจร้อยเปอร์เ็นต์เก็เว้นไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่<ม>สําหรับผู้ที่ศรัทธาพระศ า, าสดาแล้วจะไม่มีคําถามจะไม่มีสงสัยเท่านั้นเองอืาก็ค่อยๆทําไปได้อยู่ค่ะนะคะก็หาทางเลี้ยวจบอยู่เนี่ย <laughs> <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าก็คงจะต้องลาท่านพิบูลแต่ว่าเรียนท่านผู้ฟังนะคะท่านพิบูลเนี่ยท่านจะ ใช้เวลาในการเผยแผ่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตทย์ท่านจะไม่ได้หยุดแบบคนอื่นและแถมวันธรรมดาจริงๆท่านทำพร้ อ, รอมๆกันไปสองที่เลยได้ซ้ำนะคะเสาร์ทิตย์ไปฟังท่านที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันและสําหรับวันนี้ดิฉันก็น้อมสั ก, การขอบพระคุณท่านพระบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะน้อมสั ก, การค่ะเทียนพานท่านผู้ชมที่กรุบค่ารายการของเรา ส, นสนัสนิยมสนทนานะคะสําสหรับดิฉันแล้วก็ผู้ที่ศัทธา ในพระพุทธเจ้าอย่างไม่มีเชื่ออย่างไม่มีข้อแม้ก็คงจะปฏิบัติกันตามไปแต่สําหรับท่านที่ยังต้องทดสอบก่อนถามใจตัวเองก่อนอันนี้ก็ไปเปิดกว้างนะคะเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นเป็นพระศาสดาที่เยันถือว่าเปิดกว้างมากที่สุดอย่างเช่นการละมัสูเนี่ยก็จะกลัดว่าอย่าเชื่ออย่างนั้นอย่าเชื่อเพราะอย่างนี้อย่าเชื่อเพราะอย่างโน้น อยู่หลายอย่าเชื่อมากเลยจนกว่าสุดท้ายนั่นแหละหลังจากที่มั่นใจแล้วก็ถึงค่อยเชื่อเป็นต้นนะ น, นะคะและธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเหมือนกับวิทยาศาสตร์ะคะ่ะพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองขอเพียงแต่ว่าอย่าฟังแล้วคิดเฉยๆแล้วปฏิเสธนำเอาไปทำจนกว่าจะประกาหลังจากที่ไปปฏิบัติแล้วก็แล้วกันส่วนดิฉั น, นเชื่อว่าจะนาความสวัสดีมาให้กับทุกท่านนะคะ เราก็ส่งท้ายกันด้วยติดตามรับฟังรายการสัมมนีสนทนากันได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่ตีหวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ